และบุรุษเนียเมื่อไรตั ง, ต, งตังนักรบเทีย่ยวสายแพร่แหบเทานันเนี่ยขายพวกนั้นอีทีเพราะไอพวกนั้นข่าแกน่ะเบ็ด อ, อ, องค์มมมคมานเบ็ดองค์คดมานนางพัชราคนนะี้แ่ะรักษาศีลเยี่ยมมติกนเยี่ยมเยต้นทั้งต้นด้วยทั้งปลายด้วยทั้งกลางด้วยเรียบเทียวกวดศีลเรื่อยเทียวแต่ว่า มาเกิดจ่าจลาสุนโครมคือนะเป็นลูกนายทหารนักบินนะแม่เขาเขาว่างามแม่ก็เหมือนกันนะแต่มันยังเล็กเข้าประกวดสลูกไม่ได้สูุเข้าประกวดนางพัชราคนนี้แหละ <c oughs> มันงามกเกลิดแม่งามกเกลิดงามกเกลิยดทีเดียวนั่นไม่เห็นหนังสือพิงพ์เขาบอกว่านางพิชราคนนี้อีกความงา ม, มงเหมือเธอแน่นงามนะเธอเ ล, ลือ ในความงามเกิดเพราะเหตุใดเธ อ, อยื่งรักษาเส้นยื่นเท่าน้ามไม่เห็นเก่างามแต่เพียงเกลือกนะเข้าใจไห ม, มนางพัชราเนาะนางพัชราเนี่สร้างมาแต่ผู้เจ้าดกแล้วมารับผลในปีบันในในศาสนาสมรคดมนางพัชราคนนี้อาตมาหัวเลา ะ, ะ, ะ, ะ, ะอยู่นะ มัวเลาะอยู่ไงชื่อหมายความว่มากเกิดแต่เมืองไทยเจจังหวัดคัดเลือกได้ที่ห่งอันนี้ตาคนไทยนะในเครื่องวัดนะยังไม่พอนะในตาฝรั่งส่งโยุโรปอีกทีนะวัดอีกทีนะนีะ่เป็นนายจั ก, กรวาล น, นะนั่นตาคนไทยยังวัดเนี่ยไม่เหมาะนะส่งไปโยุโรปอีกทีนะตาฝรังวัดอีกทีอ่าเป็นนางจั ก, กรวาลไปแล้วเนี่ยนั่น แต่เผื่อเธออย่างเดียวว่านางนางปัญชาคนนี้นะไม่เคยเอือเฟือ้อในศาสนาไม่เคยเอือเฟือ้อก็ไม่เลิกได้ว่าเธนะอน่ะความงามถึงขนาดนี้นะจะยิ่งขึ้นไปทางศาสนาไม่เก่ า, าถ้าเธอเธอบูตนะเวลานะีน่ยังยอมเลยนะนะแล้วแต่าสาสินดีนะไปเกิดสวรรค์นะไปกวดดูอสมบัติของเรานะแม่เส้ยใจเหอเกิน หากว่าทาดีก <ida> ็ยิ่งกว่านี้สมบัติอาจจะยิ่งกว่านี้นะเข้าใจไหมนะเนี่ยข้าศึกเขาไม่กล่าวเนี่ยเขาอวดนี่ไปอันที่แรกไปนะคำเรื่องเล็กถึงกุศลนะมันงามเกลืดกแน่ไม่ใช่งามธรรมะเข้าใจไหมอือะไรเงี้ย บอกเอกาพัทลาเป็นเปาครับไอ้เรื่องนี้ให้บอกใครให้บอกครันะมมบเปล่ า, มมา ไ, ไม่ควรพยมไเยังไรอาจจะมาพีจาัณาดิเลยคุณได้ทาไมสวยมากนี่ยเมืองไทยเลยแล้วเข้าจิต ด, ดูด้วยเห็นไหมนี่เข้าจิต ด, ดูเ น, <c oughs> นี่ยเนี้ยใครแกสมัยสมุนเจ้า มันแก่ทุกข์แล้วมันแก่ขั้นท่านหนูทำนะมันต้องแก่เถอะขันุ้ยทาแล้ น, นต้องอ่อนเห็ะนะจอหมแก่แก่มาเกิดคือเพราะอะไรเพราะกายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมทำดนนีเป็นสานาระไม่ไปสงวามสงสัยก็ตอนนั้นนะแก่แกอ่อนอ่อนเกิดในกิจของเราตงหากเองไมอศึกษาคเอืนไม่ได้นะนน นายก็เอื้อนอาหารให้เอยไม่ได้เราต้องกินเองถึอิ่มก็ใช่ไหมนางพระสลานางพระสลาตาคุณไผเกป็นจึงหวัดวัดนะยังไม่พอนะส่งไปยืดหลบตาฝรังวัดอีกทีเป็นนางจักรวาลนางจักรวาลแต่งามเิเรดไม่ใช่งามธรระ เจังหวัดเพ่มอีกจังหวัดนึ่งเกิดจังหวัดมีมันเพิ่มอีกจะหาเขาเรียกายากันมั้งจังหวัดหนึ่งเพิ่มอีกทีสองมันเกจังหวัดกัมั้งใชจังหวัด แตตมาตัดสินได้ว่านางพัชราคนนี้นะสโยมมานั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้นะพวกนี้มรักษาธรรมธรมโมอยู่นะียมันจะเดินไปข้างหน้าเนะี่ยนางพัชรากินของเก่าเต้ไม่ทําใหม่นะเหมือนนางเทือกานะกินของเก่ากินของเก่านะเข้าใจไหม นายสุขขาบอกว่าผัวจีนของเก่าของเก่านะนางพัชราก็เหมือนกันแต่ว่านางพัชราคนนี้น่ะเฟรเ ฟ, ร, ร, ฟ ร, รทั้งประเทศนอกประเทศสยามเฟรเพราะอย่างไรคนนางจักรวานี่ยเศรษฐีคนไหนได้เขาต้องเชิญ น, นางพัชราไปในร้านของเขาเ น, น, น, นี่ในกุณประเวศก็ช่างคุณอดร์ก็ช่าง น, ะนะ่ะเงินยคือก็ไปเห็นนังเสถียีเขาบอกว่านางพัชรา เข้าบวชเป็นทีแล้วรักษาศีลแล้วไม่เห็นเลยทีเดียวเป็นๆเขาไม่เกล่าวอ่ะอะไหนชาวบ้านไงชาวบ้านมันต้องเขียนเสียมาทุกคนนึกเสียวันนี้นะโยมจังหวัดเลยเข้ามาแลต้องเขียนเสียถาม ไม่เสียสิแล้วหลวก็เสียให้เขาสิคะ น, นะหลวก็เสียน้นมเียให้เสียเอามามามาม า, มาถามโอหมันดวกแล้วเนี่มันตันแล้ว <c oughs> เอาเถอะหนาพากกะนแกะได้เลยมาพูดในคนไทยไม่มีสถานไหน <c oughs> เ น, นบ่อยๆเถอะโ <c oughs> ง่เน่งูเนี่นะดียางเด <c oughs> ือหมายความว่าองสมเด็จพระพุทธภาคฝากฝากศ า, าชนาไว้กับพญานนาคเดืองแล้วกับพระานนาเ <c oughs> ระอินเดืองสองอย่างพยานคุธก็ไม่เห็นกล่าวพ <c oughs> <c oughs> ยา น, นาค ก, กับพระเอ็นเถี่เ <c oughs> คอหมายความว่าจะฐานคุดจะเข้ า, น, านิพพานด้วนะนั่น ขอให้เธอทั้งสองนะพะยานาคนะเนียคอยเอ็นะนะเขาฝากคือหมายความว่าโยคะวาจรนเจ้าทั้งหลายเดินเถดงนะนะโดยขับความขับขันประการใดให้พวกนี้ช่วยนะมแต่พยะพยา พ, ยาพยาคุดกับพยายักษ์ไม่เห็นกาวเห็นกาวสองสองอทินี้<ม>แล้ว ไอ้นาคไอ้นาคเนี่ยยนในในศาสนามากเสีัยจดปลอมตัวบวชนะทำตัวใหญ่นะให้ศึกนะนกักพระเองพระเอได้รักษาพุทธศาสนาในระหว่างที่พุทธเจ้าอาภาษหนักพระเองต้องมาบริหารรักษาพุทธเจ้านะเอาหมูดเอาคุดของพระองค์ไปเทงานในสมัยใดว่า พระเอ็นมาอุปถาก พ, พุทธเจ้า ร, ระหว่างนั้นพระเอ็นนั้นเอามดอาโคตทุนศีรษะไปเทระหว่างนั้นพุทธเจ้าแ ล, แลพนันพนาแหลันพเนจรพระเอ็นทำเช่นนั้นเาทาสกะเท่าสากะาาาาาาาเธอนะก็เอาธรรมะเอามทโคของเถาคตทูนศีรษะไปเทนะประมาม่เปนเ่นันพุทธเจ้าางนแล้วก็ข้าพระองค์กลิ่นหอมกลิ่นเสนกลิ่นสล น, นะ ระอินว <g ling> ่านะหอมกลิ่นศสนกลิ่นสนเนียแล้วพระพุทธเจ้าว่าอ้าวไอ้มนุษย์กับพวกเธอบนะห่างไกลกันต่างโยชนั่นก็มีกลิ่นเหม็นใช่ไหมนยใช่จุงคนน้นนันส่วนบุทรชนนะอันนี้นหมดโคตดของพระอรหันต์ทั้งหลายนะหอมมีกลิ่นหอมนะระอ <g ling> ินว่างเนนพยายักหนึ่งพยาคุดหนึ่งไม่เห็นกล่าพวพระพุทธเจ้าฝากสองสองลายนทีเดียว สองนาในฝากศานาแณะวยก็ปรกากฏจริงๆให้ด้วยหมเพื่อนนะ น, นั่นยกตัวอย่างข้างหัึง่งทาราจานบ้านอยู่ในภูเขาแห่งหนึ่งอากาศไม่ดีอากาศเป็นซอกเขาหนะน่ะใบาไม้มันล่วงลงไปอยู่ในอยู่ในซอกเขาแหา่งลึกแล้วทีนี้นะฝนตกมาใาบา ไ, มาไม้มันเน่าทีนี่มันไม่กลิ่นนะ ระหว่างนั้น อ, อาท่านอาจารย์บันเจริญภาวนาอยู่แม้อากาศเข้ามาที่ใดท่านรีบเข้าไปนั่งสมาธินั่นข้างในจะไม่ได้สูบอากาศแรงเอาโรเอาเชื้อโรคเข้าไปภายในภายในอวัยวะร่างกายสังขารตอนอดันโดยมวลแทประดาช่วยเท่าไ้ไอ้ไอผ้าทิพก็เรียกตึงเหมนกันน้าวทิพตงึงเลย อากาศเข้าไปไมาถึงท่านจันมัานนะ <S <S นั่นในตอนหนึ่งฉันลอฟังท่านเช่นบ้านนะถือพาเทปเนีมากรีดต่กรีตตึงนะนะอากาศเี่เข้าไปไม่ถึงนั่นดนท่านจะมีโอกาสเจริญสมรรธรรมได้นะในตอนหนึ่งในตอนหนึ่งนะพระเอ็นเนี่ยลูกเทปเนี่ยนายจันไทยจันไทาจันจชอบเดินไปนครไปพม่านะ เดี๋ยวท่านมาได้กินข้าวสองวันหรืออะไรนะหิวจัดแล้วอะไพวกนี้ประเสรบาทนะท่านได้กินเลยเนี่ยอย่าตัวตวนวอนนด่นอย้าอวิทยาการด่นนะท่านอาจารย์ระวังอยู่ภูลังกานะการดานที่สุดห่างไกลบ้านริมโของเงีพวกเทบที่เดียว <c oughs> เอาข้าวนะเอาข้าวไปปนกับข้าวของจริงของมนุษย์นะแล้วให้แนนเดินหงุงข้าวห ม, ม, ม้อแขบแม่หม้อแหกไม่เมในสมัยนั้น ให้เน้นให้แน้นล้ำเอาไม้มาลามเข้าชวนจินนั่นเมยังแต่ว่าเม็ดเข้านั้นเป็นเม็ดข้าเล็กที่สุดนั่นสันสุดคํำบปนกับเข้าธรรมดาคนเอินเข้าไปขอเบอร์นั่นเขาเอาเขาอเขาเขาขอผ้าขึ้นไปอืขึ้นไปขอเบอร์แล้วเนี่ยเมื่อขอเบอร์เสร็จแล้วลงมาแล้วก็เอาเข้าไว้ให้ท่านแล้ววันเดียวเข้านั่นมา มามามลาม้ำลามใส่ไม้ลามเรี้ยยงกันไงข้าวนั่นหอมไมีกลิ่นหอมนะเนี่ยมเนี่ยีสองลายเนะี่ยสำคัญมากเที่ยกล่วนะาวถึงเทวดาและอิปการึ่งใครได้แจ้งข่าวนะอาพาดหนักอ ย, อยู่จังหวัดน้องคายแม่ทรุรงทรายใหญ่ตอเที่ยนดัง ไม่เทปนะวีวับวับวับเนี่ยแม้ความเย็นถึงหัวใจเียะดีเท่านั้นขาวนะนะั mm hmm. ขาวง mm hmm. ั้นแล้วอิปการด่งด้านขาว <c oughs> ท่านองค์นี้นะอยู่ในป่าเล็กนะต้นไม้ใหญ่สูงนะต้นยูงต้งยางนะนั่นะแล้วในเดือนห้าเทียงสกสาราปีใหม่ลมปัน่ปนป่วนปั่นเทอะนะใบต้น ตป็นไม้หน้าหักครึ่งหักกลางนะลงมานะแหมเป็นคอกหมูเที่ยวนะไม่เถียท่านเชีขาวนะเป็นขอกหมูนะนี่เป็นอาจารย์อย่างหนึ่งนี่คือมันหักลงมาเป็นวอเี้ยรอบนี้เป็นขอกหมูนะเชียขาวท่าของเพชรไหมออาจารแล้วอีกเด้งท่านเชีขาวเนี่ยท่านอาจาร์มันแดงท่านอาจาร์ขาวแดงท่านมหาทุกสุขคนแดง แล้วพากนันเดินมาเดินม า, อ, าอ้าวช้างตัวหนึ่งมันอยู่ระหว่างทางนะนะนี่แคไม่รู้จักว่าคนนะนั่นเวลาไปอา้าวทีนี้มันขวางทางตยทำวิธีไหนนะั่แล้วเทเดน่านะท่านอาจารมั่นท่านท่าจข่าวอาบอกบอกให้มันหนีนะนะพวกเราจะเดิไปมันขวงทางไเป็นอันตรายนะัยนน่ตอนนั้นท่าาจาข่าวบอกช้างช้างเลยนีนะซุกเขไปในนะแล้วกันได้ไดโอกาสกับ พากันไปงั้นพากันมามาใกล้ๆนะาานะนะนะั่นแหละนะมหานทงศุกร์เบลล์ลมน่ะมันติดไงเบลลมอันนั้นขันได้ไหมมันติดน้ํำที่ดึงที่จะเกาะจับบดก็ไม่ได้กลัวช้างเนียมันจะมาแทงเนละยนี่มีอยู่ไงนนี่มา ห, าหันทงศุกร์น่าไปฟังเลยไทยจะมาร์วนน่าไปฟังนะี่ทา่นนะทานเจียงขาวท่องเพลงน่าไฟัง ปฏิหารเกิดขึ้นมากท่านเจ้าขาวท่านองค์เพนหลายขั้นหลายเชิงทีนะแล้วได้ท่านเจ้าขาวคนได้นะ <c oughs> การบวชของท่านไม่ใช่บวชด้วยความเรศุดนะนั่นเมียเล่นชูนะเบื่อเหลือเกินนะจับได้นะออกมาบวชอีนั่ท่านเจ้าขาวนะไม่เหมือนองค์อื่นเมียเล่นชูเนียรู้จักกับเมียเล่นชู์แล้วนั่นถ้าใครฟังนะ แล้วทําลาเมียไปไปไปไ ป, าไปทางอื่นไปค้าขายไปอะไรนะ<ม>แต่ว่าไปไปจะจับชาโชนะ<ม>นะเวลาลาเมียแล้วเมียชายโชไปนอนเรือนนะ<ม>ตอนนี้เขามาเง<ม>ี<ม>้ยมาที่นี่นอา้าวจับ่าหร้อจะยังไงไม่ยังไปเกือกรองอยู่ถือดาบอยู่จะคาได้ไงเขาก็ไม่ อ, มอยากตายสั่งแท้ง<ม>ตั้งแต่นั้นมาตั้งใจบวชมาตลอดมา ถามตัวเองข่าววาดีเหลือเกินเนี่ยหากว่าไม่เกิดในตอนนั้นแล้วไม่ได้บวชนะเข้าใจไ้ยคุอเบนเนอะแต่นังข่าวมีปฏิาหารหลายอย่างท่านะชอบเด้งท่านงขาวเด่งท่านอาจารย์ฟันเ้อาจารย์ฟันเนี่ ย, นนยห้ามเครื่องจักรได้เพียงเขหมายความว่ารถมันเว่งพลาดไปนะเร่งต่อหน้าท่านท่านแพงนะหยุดเพียง อะไรนะไอความปฏิหารจิตตุงท่านนะห้ามเครื่องจักรได้เท่าน้นแล้วได้เขาออกมาพี่นนะ้ขึ้นไปแหมนานเอ๊งั้นเราก็เป็นอยาจะเป็นอบัตขะมั้งนะห้ามโคจรเขานะและพหันหันไปทางอื่นมันก็ไปได้นะนนหันเข้าไปนะั่นไม่ได้ขัดอัธยาศัยขัดเครื่องจักรเขาเข้าใจไหมคุณนายนะมันไปไม่ได้เงี้ย Öz, ถามมาให้เนี่ยถามมาบอกรีบเร่งติดเขาเรีบเร่งท่านที่ว่ารีบเร่งไปทำงานนะเนี่ยเข้าใจรีบยาขาพากันอาเวัดทว่าูกไหมเรีบยาขาเรีบยาถาเนี่าฟังฟังอไรเนี่ยเนล่ย การหลังนับถือพระพุทธศาสนานะต้องเกิดอริยญาณโดยดวงจิตอย่างใดอย่างเดิมเที่ยงจึงจะเริ่มสานในศาสนาได้เทียวนะเกิดอริยญาณในพธท์เถินเสนเอะไรอันได้มเดิมเที่ยวจึงจะเดิมหน้าจึงจะก้าวหน้าเที่ยวนับถือคุณพระชนาคติไกลเที่ยวให้ถึงที่เทียวนั่นยกตัวอย่างนะอาตมานะนั่น ไม่เคยนะไม่เคยไนดะ้ยินเสียงเสือร้องไปอยู่แห่งดแห่งนร้องนะตัวเล็กก็ร้องตัวใหญ่ก็ร้องนะนั่นแล้วทีน้ความกลัวเขอาจจะมานะขนาดไหนน ะ, ะมันร้องมาทีแรกนะอา้าวมันฝนเสียนะกลัวตายนะกลัวเสือจะมาฆ่าไปกินนะนั่นแล้วทีนี้อาตมาก็ ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันนะนึกถึงองค์พระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันหนักหักหนักหนไปนะเอาเหือออกนะเอาหนักไปหนักไปไข้ขาวออกนะยังตายออกนะเพราะกลัวนะนั่นแล้วทีนี้ตัดสินใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งแล้วนะความกล้ามาถึงแล้วขนย้อนขนฟองสยองกรามมาถึงแล้วเพิ่งระเลือกถึงที่ถาคนมีความกลัวหายอยู่ในตอนในแองเดอะจุมมานะนั่น ไหนไหก็ต้องตายในคราวนี้และนะไห น, ะนะมันโกงมาซะแล้วนะนะเนี่ยแว่นไม่ได้เชียวนะใครไปบอกมันให้มากินเรานะนั่นะมันโกงมาซะแล้วเนี่ยหยุดหยุดคนหนึ่งมันโกงมานะนะอาตมานะภาวนาเชื่อในตอนนี้เข้าไปภาวนาลำลำเข้าไปเขาไปอ้าวจิตลงโสู่วังอ้าวเนี่ยทหารรักษาตัวอาตมานะแม้ทหารอุกกาลาเชื่ชด้วยนะเป็นชั้นเชนทีเดียวนะ อาจมาเห็นปฏิหารในตอนนี้แหละไอ้ความมั่นคงศาสนาเนี่ยก็ตรอดมาในระหว่างนั้นไอ้ชิบกุญชา น, นั่นเกิดอธิการนะนั่นนี่นะฉันใดก็ได้ขอให้พากันภาวนาพุทโธพุทโธนะนั่นให้เกิดอธิการอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั่นบอกเหตุบอกผลคัมภีร์ตัวของเราเห็นอธิการแล้วนั่นไอ้ความรู้ความฉลาดด้วยก้าวหน้าเข้าไปเรื่อยๆเท่านั่นไม่ถอยนะนั่น หากว่าคนไหนไเบื่อในอาจารย์ของศาสนาอย่างใดอย่งหนึ่งแล้วถอยเทียอนั่นถอยถอยหน้าถอหลังเทอานะ้นนะพ้อมไม่ไ ม, ไม่มีพยาในดวงจิตนะวางหลักฐานในดวงจิตไม่ได้นะนั่นนี่คอยสนใจภาวนาให้มากที่เดียวอย่างที่ว่านะพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อ ย, เ ร, อ ย, เ, รอยเรื่อยเข้าไปก็จะจะรู้จากในตัวในดวงจิตทเดียว มโนภาพจะเกิดขึ้นไนงะความส ง, งบจะเกิดขึ้นหนึ่งรัชสมัยของจิตหนึ่งอำนาจจิตหนึ่งสำคัญเทียมโนภาพนะนั่ น, ม, นม่สมข์สมกับเจ้าคุณเรเชนวานะอะมโนภาพสําหรับพุทโธนะมันมีปฏิหารยิ่งกว่าพระวนโนร้อยลูกนะนั่นที่เขาทิ้มกันหรือเขาแข่งขันประหารชีวิตกันให้ทุกวันนี่นะนั่นสําคัญเทียบ ให้พึ่งพธโธ์ให้มากเสียให้เห็นอริสงเถนะนะอาตมานะไม่เห็นอริสง์ในคราวนั้นจะบวชตลอดชีวิตตลอดมาถึงขนาดในใดยังไงเงีนะ้ยต้องเห็นเถก่อนเห้ปฏิหารเถก่อนเงีนะ้ยทุกองไปพระกรรมฐานนะต้องเห็นปฏิหารนะทุกองทุกองคนะแต่ว่าลูกเสดต่างบันม่นขั้นก่อนนะอืขั้นก่อนรุ่นลุนธาตุญาเพศ์เนะ น, น, นะนี่ยธาตุญาควันเนี่ยมันดีใจเด็ดเหลือเกินเะนะี่ย ท่านม่ชีวิตมาถึงทุกวันนี้นับว่าหัวเย็นมานะน่ะรอดตายมานะน่ะไอ้พวกในใจปล้ำในก่อนนี้ยไม่เหมือนนี่ก็มาานทุกวันนี่นะทุกวันได้ก็มฐ า, านขนนางเกินเงินขนนางหรูหรามากทีเดียวขนนางหมายความไงเดินทดองขึ้นรถแล้วนั่นเดินทดองขึ้นเลือบินแล้วนั่นข <c oughs> าก่อนนี่ไม่ได้ทีเดียวแบกกดขึ้นภูเขาลงภูเขาแม่นะ อ่าเนื่อยมากเธอก่อนเนี่ยเธอก่อนนะอาหารการกินก็ไม่บริบูรณ์เหมือนทุกวันในน้นะนั่นกินเพริกกินเกลือไปแล้วมือแล้ววันไปหิวมากหิวมากถึงเวลาเนย็นนะนั่นอันนี้อะไรปอนอาหารหรูหราใหญ่ต่อได้เลี้ยงสเสลดน่ะนั่นมันจะมีความรู้ความฉลาดยังไงได้นะเดี <c oughs> ๋ยวนายขึ้นเรือบินด้วยนะั่นเดี๋ยวก็ขึ้นรถขึ้นลานด้วยนะนะ่ก็มาทานคุ้นทาง <c oughs> ทุกวันในน้นะ <c oughs> ลาบเกิดก่อนทำมาลาบมันเกิดก่อนนะนั่นเมื่อเกิดก่อนเท่าแล้วมันลกจิตไม่เคยเที่านั่นมันหันไปทุกอย่างเท่านานาจิตตางของจิตนะของโยคาวิจรเจ้านะผู้ที่ยังไม่ถึงมรรคถึงผล น, นะนั่นแต่ก่อนนนะ่นะทำมาเกิดก่อนทำมาเกิดก่อนใครๆก็รู้แล้วนึกสือมุตโตไทย ท, ท่านจะ ม, มาแต่งนะระวังเจ้าชายที่ธาตกุ ม, มานเขา นั้นทรมานพระ อ, องค์อยู่ในในป่ายตรีมฤทายวันในครั้งนั้นไม่เห็นลาบเกิดขึ้ น, นยไงทวงทรมานนะต่อองค์สมเด็จพระพระเมรภาคอ้าวเกิดธรรมะขึ้นในดวงใจแล้วลาบไม่เกิดขึ้นทีหลังนะนั่น <c oughs> ลาบเกิดทีหลังนะอันนี้นะลาบไม่เกิดขึ้นก่อนมัดท ว, ว, วมหัวถุนฝางมันยกเิดไม่ขึ้นนะ <c oughs> นี่เท่ห์มันผิดลาบผิดยศอยู่นั <c> ้น <oughs> ด้า น, นให้พานภาวนาให้เยิงให้เยิงเทียวเทวทูตสองเทเลสน ะ, ะเดี๋ยวนี้ในนะจังหวัดพระนคร น, นะเทวทูตสองเทเลสหมายความยังไงอ้าวนังสื้อเพลิงได้ชนแดนวกทหารตำรวจตายมากนะเข้มเข้มขันมากเทียวไหนคําเมก็เอื้อมมือมาไหนพม่า ก, ก็เอื้อมมือมาน่ะไหนค<ม>อมบันเลสเกิดในเมืองไทยอีกซะด้วยนะนั่ น, นเทียวเท<ม>นลสนดะง อีกคือ เ, เดินดิอ้าวทัว่วไปทุกจังหวัดนะโดนผู้ร้ายก็ชุกชุมนะนั่นไม่มีฮิริโอตปนะทุกวันด้นะนั่ น, ะ น, นประปนการ น, นั่นอะไรทีการในที่เ ป, ดเปิดเผยช่วยนะไม่ไอายนะไม่มีฮิริโอตปานะนั่นในตอนแดงแล้วอีกตอนแดงนะไอน้นี่ธรรมะเป็นธรรมชาตินะที่พระพุทธเจ้าสอนมาชา ท, ททาทุกเสลาทุกปมนาทุกนี้ นีดตตอนนั้นนั่นนั้นอันตรายเทวดของเราไม่มากมายถึงขนาดนั้นน่ะเราควรหนักควรหนาเดีอย่าประมาทเดียเร่งเล่เล่งทำความเพียรนะนั่นหาที่พึ่งนะนั่นหาที่พึ่งใหญ่โตเทียวเป็นวิหารธรรมในดวงจิตเทียวนั่นอบอกแล้วนั่นเทวดาโทษบอกแลบอกคอมมานดแล้วบอกโจรผู้ร้ายแล้วนั่นเนือก็บอกชาทุกเสนาทุกพญาทุกแล้วนั่น บอกเราแล้วฮะ น, นี่แหละฉันใดก็เดีเรารู้จักว่าเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นปีเดือนนั้ น, น, น, อ, น, น, นอายุเท่านั้นนะนนัแต่การตายของเรารู้ได้หรือเปล่าวันวันไหนปีไหนเดือนไหนจะตายด้วยโรคอันใดนะและวป่าชาของเราอยู่ที่ไหนนะชาได้เปล่าแลยชาได้หรือเปล่ า, ลาเลยนี่แหละค่อยแรงเ ร, ง, เรงทั้งคมเพียนะแลอะอภิการอีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของทีเทมิ น, นชานะ แล้วได้สุดเร็ ว, วที่สดเทียบนั่นเป็นของที่ไม่เนินชาเทียบนั่นอย่าให้เกตเป็นอนาาฐานนะเกตีพึงนั่นพึงพุทโธเป็นโทนพุทโ ท, โ ท, โทเป็นของใหญ่เนี่ยพระองค์ก็บทดแล้วเนี่ยหากคนกลัวมาถึงแล้วขนพองเสยองกราบมาถึงแล้วพึงถัดเลึกถึงส ถ, ถ, ถากุติความกลัวหายเนี่ยหายในตอนไในหมายความอย่างไร แม่อง์สมเดจพระพผูเมีาระคิตถึงอมาตะธรรมแล้วพระองค์ไม่กลัวตายเนี่ย น, น<ม>หากว่าคนไหนถึงพระองค์อคนนั้นจิตมัม่นคงนั่นจิตมีวิหารธรรมนั่นจิตเพิ่อมอกเติ่มใจว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนะนั่นหากว่าเราตายไป อ, อันนี้จังเทีนยงของชีวิตนะนั่นเราเค่อยไปไปสู่สุคติโลกสวรรค์เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอืง ไอ้งูไอ้งีเนี่ยยัไปกล่าวเลยเที่ยวนั่นงูอ้งีงงนีไม่บ้างไม่มีบ้างเทียวยกตัวอย่างว่านางมัทีนางมาทีนั่นะนะไปหาผลไม้ในกลางป่าหิมะพานหรือดงในดอนใหญ่โตนะนั่นในวันนั้นพระเวชนดรนะจะ บ, บริจาคอโน ธ, ธิดานะนั่นและกำไพอินก็มาใครก็มาทําเป็นราชสาีบงังเป็นเสือบังกั้นกลา ง, ลางนางมาทีเมย มีปีนบางครัง้งบางคราวนั่นและอย่างหเดิมขณะอาจารย์มั่นก็พูดในฟังโยคาวจรเจ้าทั้งหลายทุกบางาบางองค์ถูกเหมือนกันเดินจงกรมอยู่ไงนะ่ะเดินไปเดินมาอยู่ไงน่ะอ้าวนะ เ, เสือตัวหนึ่งมามามาอยู่ตอนหน้าทางเดินกรมนะแม้แสดงคุณยาอย่างเงิ น, นยังยืดไปยืดมาในคลายจะคบพระองค์นั่นนะนันนน่นท่านกันารย์มั่นทนายฟังไนหะพระ เส้นกัวมากเล่าตุ้นจิตได้เดินไปเดินมาเนี่ยไอเสือตัวนั่นน่ะเด้งอยู่ที่นั่ น, นพระองค์นั่ น, นเดินจงกรมไปไปมาอาส่งจิตไปเยี่ยมผู้หญิงเพียๆครางเฮือเฮือเฮือเท่านันหากว่าจิตของเธอน่ะเข้ามาในภายในจิตเหยียบเจ้าเสือน่ะเนะ่นี่แหละท่านจะมัน่นรอใหอัตมาฟังอันนี้น่ะเป็นแท่เทียวหากว่าผีเสือจริงแล้วพระองคเอาไปกินแล้วนะ เราขอเอาอพระไปกินแล้วไนก็เพราะยังไง <c oughs> เพราะแทบแทบจะทดลองนั่นอย่าว่าเสือกับกับพระนี่ท่านอาจารย์นว่ากินบ่อยๆนะครั้งพุทธกาลนั้นข้ <c oughs> าพระไปกิ <c oughs> นพระทั้งหลายนะข้ามพระนะข้าประพระไปนะลองอยู่นะลองอยู่ในปากเสือนะนั่น พระน่าช่วยไม่ได้เพราะเสือมันมันเป็นสัตว์ที่ดูร้ายนะแล้วก็ให้อววาดว่าท่านนะพิจารณานะเข้าไปไม่ถึงแล้วนี่ใครพิจารณาแต่พระนะรั้นพิจารณาก็สำเร็จอราหานนะเมื่อสำเร็จอราหาันแล้วไอ้เสือน่นมันจะวางหรือเปล่ามก็กินนัน่นท่านอาจารย์มันมาเามัไม่ได้อยู่เสือนี่กับพระนี่นทินนั้นพระเสือเินพระหลายองค์นะนั่ะ แล้วก็พักกินสุดท้ายเนี่ยรู้สึกว่าเอาอาให้อุปวาตกันได้ให้สําเร็จอาหารในปากเสือได้ น, ะ น, ะนะั่นข้อข้อสำคัญนะไอภาวนาภาวนาด้วนะนะ mm ัน hmm. จะกั้นเสือไม่ได้กั้นเสือไม่ได้เยอะพระก็เป็นมนุษย์เนี่ยนั่น mm hmm. เป็นมนุษย์อย่างมนุษย์นะเป็นอาหารของเสือนะนั่น mm hmm. ยกตัวอย่าง ประเทศลาวประเทศลาวนะนั่นอาจะมาไประวังเต็มที่ทีเยวกับท่านทีนชอบนะนั่นเพราะเพราะยังไรเสือมันดูร้ายฝากเอ่อฝากเมืองลาวนะประเทศลาวนะฝากขนกันนะเสือมันเคยกินแกว้วบ่อยๆนะเขายิงตัวไหนหัวแ ก, ก่เออหูวแ ก, ก, ทกท่ทุกที่ทุกทีเดียวนะนนมันเคยได้กินคนมาแล้วไงเหตุนั้นไอ้เสือแถบฝั่งลาวนะกันไม่ได้เสือเสือฝั่งไทยได้ เขาบอกว่ามันไม่กินคนนะไม่หิวจริงๆไม่กิน น, นะครับ<ม>พูดในพันป่านะอาตมาได้รับความกล้าหาญผู้ทานป่านะเขาเตือนนะในประเทศลาวไปได้นะอูวนักเนี่ยมันเคยกินแก้วนะเรือห น, นังของมนุษย์มันอร่อยนะมันเคยได้กินแล้วไม่เห็นคนนะไม่ว่าพระไม่ว่าคุนหาดนะ่ะเอาเอาเหมือนกันเพราะเป็นอาหารของมันที่นี่นะไอ้งูไอ้งูเนี่ย ไม่ท่านกันชอบไม่อยู่พบเหมือนกันเวลาท่านไปบินาบาตนะยกลัดมาเห็นงูขวางทางอ่าเป็นเรื่องอะไรนะท่านก็หยุดพิยาาเนี่ยเงนะินเจ้าสถานที่ที่เอาเงินหากว่าเป็นเสน่ขอให้เธอไปเง น, นะ่างูก็เลื่อยไปแล้วท่านก็ขึ้นไปภูเขานะ น, นไม่อยู่เงี้ยเดี๋ยนะอาจจะมาพูดให้ฟังนะ ไอ้พวกเจ้าแตนิพ า, า, า, า, านนั้นฝากฝากศาสนาให้เพลินนะนั่นไว้พญานาคนะนั่นพญายักษ์ไม่เห็นกล่าวพญากุดไม่เห็นกล่าวในพวกนี้ดูรายเห็นจะไม่ฝากฝากไอ้สองชนส์นี่เทียวนั่นปรากฏยุงโมเพื่อนนะหัวเย็นมาหลายครั้งเที่ยวอ้พวกเทพพวกอะไรช่วยช่วยเหลือนะนั่นยาเชยิึ้นขาวเนี่ยรอตายแล้วนั่น อาพางเต็มที่แล <tra> e ้วที uh, came, coming, uh, uh, ่จ mm. um, no. ังหวัดน้องคายท่านอาจารย์ชวนเอาไปในเขาหน้านะเอาไปโพทออกนะนั่นปูงัวนะนั่นท่านบอกว่าแม้เกือบตายเถอะไอ้พวกเทบว่างวีเข้าวีเข้าอามันถึงจิตเนี่ยความแยบมติหารของเทบนะมันเข้าถึงเจิตเย็นเข้าถึงเจิตนะนั่นโดยรับความสบายนะนั่นเชียงเก่งขาวท่านหลายฟังเหตุนะะยาประมาทียเนี่ย ให้นึกถึงพุธโฮรมโมสังโฆให้ทำอัตถะปรมัตถประโยชน์ในดวงใจในชีวิตทุกเรานะนั่นเวลาธรรมะของพุทธเจ้าป็นญานนกธรรมนะไม่เฉพาะแต่บัมบะเชตนะฤๅษีหัดเขาสำเร็จได้นะนั่นให้ตั้งอกตั้งใจที่ว่านี่ยจะไปเรียบไปทำงานทำงานไม่ได้ทำวัดไม่ได้ให้โอกาสเลนะเข้าใจก็เรียบยาถาที่กันทีนี่ เอาละวพากลับแคนี้หมาเดียมก็ไปใครก็ไปนีครั้งนั้นนะ่ะแล้วงูงทํททานตัวหนึ่งม่เข้าไปในในตึกเขานะ่ะตึกตบิดาบันแอบบรรดาของสอสเมกไนะนะงสสเมกไงกรมรดไฟอ้าวอาตะมามาไปถึงเขาขาเแล้วเนะี่ยงูนะงูเอองูง